ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมวพโพธิญาณในวันนี้ก็จะพูดถึงลำดับขั้นตอนของการก้าวไปสู่สมาธิที่ทรงเรียกว่าเป็นผลของการบวชหรือผลของการปฏิบัติธรรมะในสามัญญผลสูตรที่ทรงแสดงแก่พระเจ้าอาชาติศัตรู วันก่อนเราได้พูดถึงประเด็นที่อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะคือหมายความว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่ในการเคลื่อนไหวทั้งปวงของชีวิตในแต่ละขณะท่านจะทำอะไรอยู่ไม่สำคัญแต่ต้องการว่าให้มี ส, มสติสัมปชัญญะอยู่กับปีรียบทนั้นเท่านั้นประการต่อไปนั้นก็ พูดถึงความไปผู้สันโดษซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐนะครมันมีลักษณะเบา ส, ะสะลัดสลวยคือสันโดษเนี่ยเราไม่รักคงุงรังโดยทรัพย์สินเงินทองมีประการต่างๆก็รับสั่งว่าลูกกรามาบอบพิษอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษลูก่อนมาบอบพิดภิกษุในทํามีในนี้ เป็นผู้สัญโดดด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายเป็นวินณาบาดเป็นเครื่องบริหารท้องเธอไปในทางพิสาภาคใดๆก็ถือไปได้เองก่อนมาบพิษนกมีปีกจะบินไปทางพิสาภาคใดๆก็มีปีกมีแต่ปีกของตัวเองเป็นการเป็นภาระบินไปฉันใดที่สุก็ฉันนั่นแล เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางทิศาภาคใดๆก็ถือไปได้เองดูก่อนมาบ่ชพิชิด้วยประการดังนี้แหละพิสูชื่อว่าเป็นผู้สันโดษโดยเดินประงสแสดงสันโดษในระดับเป็นวิถีชีวิตเป็นปกติภาพปกติสุขของพิสูุ สันโดษนั้นเป็นธรรมะที่ระณีตขึ้นไปคืออยู่ระดับศีลก็มีระดับธรรมะก็มีก็น่าจะมาทำความรู้จักทำความเข้าใจกับสันโดษในแง่ของศีลธรรมจัญญาเกิดในแง่ของเป็นสมาชีพกับในแง่ของธรรมะอย่างที่ทรงแสดงเนี่ยคือสันโดษเคยเป็นปัญหาสมัยจอมพลสฤษดิ์นลัต ก็ได้ออกประกาศขอร้องให้พระสอนเรื่องสันโดษเพราะสมัยนั้นเนี่ยการต้องการพัฒนาชาติบ้านเมืองเ้วถือว่าสันโดษเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนาไม่ทราบท่านได้มาจากใครนะฮะแต่ว่าเป็นการจับความธรรมะผิดอย่างแรงมากหรือต่อมาที่พ้ายกับสันโดษมีข้อหนึ่งเขาเรียกว่า อภิชฉาคือความปรารถนาน้อยแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆกับสันตุชิคือความยินดีตามีตตมได้และอสันโดษเนี่ยคือในหลักปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าภิกษุไม่สันโดษย่อมเสื่อมกษัตริย์สันโดษเสื่อมเพราะพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องมั่งคั่งแล้วปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องดีนะเศรษฐกิจต้องดี สังคมจึงจะดีการเมืองจึงจะดีอย่างอื่นจึงจะดีต่างในสังเกตเศรษฐกิจนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคเพราะว่าการบริโภคในแต่ละวันเนี่ยมันสิ้นเปลืองไปมหาศาลคืออย่างนึกว่าอาหารในแต่ละวันเอายกตัว อ, อย่างว่าที่ก็วางขายในกรุงเทพเนีนะ่ยคือถ้าเรามากองรวมกันได้เนี่ยาใจะเอาสูงก็ตึกหลายสิบชั้นเนี่ยนะกองเป็นภูเขาโลกาเลย ตกตอนเย็นหายเรียบเข้าไปอยู่ในท้องคนหมดแล้วครับถ่ายก็ออกไปก็รุวงกันมาใหม่ก็หากันมาใหม่เพราะงั้นมันเป็นการสำรวนในชาดกเนี่ยท่านพูดดีท่านเล่าถึงลูกแข่่้าตัวหนึ่งเลียงดูพ่อแม่เวลามากินอาหารแล้วก็อุตส่าหา์คาบไปเท่าที่ตัวเองจะคาบได้นะจีกเป็นรวงคาบไป นายพลางเขาก็สงสัยเออะตัวอื่นมันก็บินไปเฉยๆตัวนี้ทำไมยังต้องเอาข่ามไปด้วยก็จับได้ก็ซักถามดูนะพูดจากันรู้เรื่องนะฮะซักถามดูอย่าบอกไม่ได้เอาไปกินหรอกแต่ว่าข้าวเปลือกเล่าเนี้ยส่วนหนึ่งก็ไปฝังดินส่วนหนึ่งก็เอาไปให้กู้อนะส่วนหนึ่งก็เอาไปทิ้งเหว ส่วนที่ส่วนหนึ่งก็ใช้นี่นะฮะส่วนหนึ่งก็ใชน้ น, น, น, ชนี่ส่วนหนึ่งใชน้นี่ส่วนหนึ่งให้กู้ส่วนหนึ่งฟังดินเอาไว้ส่วนหนึ่งก็ทิ้งเหวก็มีอยู่สี่เรื่องคาว่าทิ้งเหวนั้นก็คือบริโภคมันไม่รู้จักจบสิ้นทิ้งลงไปยังไงไม่เต็มทีหนึง่งแล้วก็ฟังดินนั้นก็คือเลี้ยงดูนกฉลาที่บินไปหากินไม่ได้ เป็นการสร้างสมบุญก็เรียกว่าบุญญาณิธิกลุ่มทรัพย์คือบุญแล้วก็ที่ให้กู้ก็คือเลี้ยงลูกนกนะฮะเลี้ยงลูกนกต่อไปลูกนกก็จะเลี้ยงตัวท่านแล้วก็ใช้นีดเนี่ยคือเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งแก่ชราออกปินหาอาหารไม่ได้ดังนี้นเพิ่งโครงสร้างความคิดตรงนี้ที่จริงมนุษย์เรายัางเข้าไม่ถึ ง, งนะฮะมันสี่เรื่องนะฮะสี่เรื่องเราก็ทําได้แค่ทิ้งเหว่าเรื่องใหญ่ ให้กู้แต่ว่าฝังดินกับใชน้นี้เนี่ยทากันน้อยเป็นความคิดที่น่าที่น่าศึกษาน่าสนใจว่าขนาดตัวนกแก้วเนี่ก็ยังคิดได้ก็ยังทำได้เราก็น่าจะทาได้เหมือนกันเพราะในสันโดษเนี่ยมันเป็นสันตุถีประมังทนงังสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยอดเยี่ยม เพราะยังไงมันเป็นรู้สึกเต็มรู้สึกอิ่มรู้สึกพอรู้สึกจุดในการแสวงหาสันโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยมันเป็นสมาชีวะมันเป็นเรื่องของการแสวงหาการครอบครองและการไปพกใช้สอยแนวเศรษฐศรสพย์เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนนะฮะสันโดก็เรียกเป็นสันตังสกังสมังนะฮะสันตังสกังสันตังสมัง หมายความว่าในการแสวงหาทรัพย์สมบัติสมัครชาวบ้านตัวไปนะฮะเราเอาสมัคราชาวบ้านตัวไปก่อนก็ทุ่มเทพระละกำลังลงไปเต็มที่กำลังทรัพย์กำลังคนกำลังบริษัทบริวารมีมากเท่าไหร่ก็ทุ่มเทลงไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรมันมีกรอบอยู่ที่ว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนั่นคือกรอบใหญ่ นอกจากนั้นก็วาดกันไปได้เต็มที่ไม่ได้มีปัญหาในพักสนามแต่ประการใดทีนี้เมื่อหาได้มาแล้วเนี่ยท่นเรียกว่ายะถาลาพระยินดีตามที่ได้มาได้มากก็ยินดีแตา่ ม, มากได้ได้น้อยก็ยินดีตามม่หน่อยตามตามได้มาน้อยนิดซึ่งทึ่งผิดกับพระพระนี่ยินดีสมมติว่า คนตักบาตรนะพระไปวินนบาตรแต่คนตักบาตรับได้ไม่เกินสามบาทแต่ถ้ารับได้ก็เอามาแจกจ่ายแก่คนอื่นแจกแบ่งแก่คนอื่นเวลาเนี้มันมีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษขึ้นมันทาอะไรไม่ค่อยได้บางทีก็มโนพระไปะจำนวนหนึ่งเนี่ยเอากระสอบใส่กันเลยแต่พระก็มีวิธีในการบริหารอาตมาก็เคยไปเจอมาหลายครั้งอะไรอย่างนี้ เราก็บอกไห้พระเอาไปเท่าที่เอาไป ท, าที่จะฉันองนั้นก็จัดแบ่งประเภทเอาไปให้คนชะลาบ้างไปให้เด็กบ้นราดวิธีบ้างอะไรแต่อะไรเนี่ยก็ทำให้มัเกิดประโยชน์ขึ้นมาเจ้าคงมิหาขอความเป็นสันโดดคือว่าในช่วงรับในมันพูดยากพระเราในช่วงรับที่จริงพูดยากนะองค์ที่มีบารมีมากๆเนี่ยเขาก็ชอบทำบุญกท่าน เขาไปขัดสัทธาก็ได้ยังไงเราไปเสียดได้ยังไงแต่ว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการกับสิ่งที่ได้มาในทางที่ชอบทำตรงนั้นแหละในช่วงของการมีพวกใช้สอยเนี่ยจะ ท, ทำยังไงจรึงจะเหมาะสมเพราะมันมีอยู่สามตอนแล้วก็หนุนช่วยกันในช่วงของการรักหรือได้ได้มากก็ยินดีตามมากได้น้อยก็ยินดีตามน้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าใจตั้งตั้งเอาไว้ นะอย่างอย่างเวลาเนี้ยสังคมเรามีปัญหาเยอะเราเก็บเก็บเก็บเก็บเอาไว้ก็รู้ว่าเวลามีปัญหาก็ได้ช่วยกันพอมีปัญหาแค่จริงๆเนี่ยมีไม่พอไม่พอที่จะช่วยเพราะว่าปัญหามันเยอะเหลือเกินแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งก็ได้บังบันเทาเบาบางลงไปอย่างตูมึงจะเคยเล่าฝั่งเรื่องราณ น, นเทระท่านเคยรับผ้าเป็นแสน เป็นแสนผืนนี่ไม่จะเล่นนะฮะพระจะไมนั่นแล้วเจ้าอุเทนเะนี่ยก็สงสัยเอ๊ะทำไมพระรับเยอะจังพระนรนท์ท่าก็บอกว่าก็รับตามที่ขอถวายแต่ใช้ตามที่จำเป็นคนละประเด็นกันประเด็นรับก็บปอีกประเด็นหนึ่งประเด็นใช้ก็อีกประเด็นหนึ่งใช้ถ้าไี่จำเป็นนะแล้วก็พิบูลเก่า มารับผ้าใหม่ได้ผ้าใหม่มาแล้วก็ผ้าเก่านี่ไปให้คนดีคนคนอื่นก็ให้คนอื่นต่อไปถ้าหาวยังใช้ได้ทีนี้ถ้ายังใช้ไม่ได้ก็อาจจะมาซักเข้าเป็นทำเป็นผ้าปูนอนบ้างทาเป็นผ้าปูนั่งบ้างทำเป็นเพนดานดักฝาบ้างทำเป็นผ้าเช็ดพื้นบ้างทำเป็นขยำกระดินชาวฝาบ้างมันไม่มีที่สิ้นสุดคือใช้มันเกิดประโยชน์คุ้มค่า นี้เรียกว่ายาัถาสารุปะสันโดษคือยินดีในการบริโภคตามสมควรไม่นจะอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งวิธีการของพุทธเนี่ยเป็นวิธีการดีท่านสอนไว้ในแนวอย่างนี้ถึงแนวรีไซเคิลนะฮะเห็นภาชนะรีไซเคิลในต่างวันก่อนเออไอเนี่ยความคิดเนี่ยจริงจมันมีมาในสมัยพุทธกาลแต่สมัยพุทธกาลมันไม่มีระบบรีไซเคิลมันมีเครื่องไม้เครื่องมือขนาดนั้นเพียงแต่ว่าท่านปรับสภาพของสิ่งเหล่านั้นไปจีวรพื้นหนึ่งเนี่ย เราได้จีวรใหม่มาเราก็ให้แก่องค์อื่นที่มีจีวรเก่าได้จีวรเก่าก็ให้แก่คนที่เก่ากว่าให้ต่อไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อใช้ในฐานะจีวรไม่ได้ก็ใช้ในฐานะผ้าปูนอนใช้ฐานะผ้าปูนอนไม่ได้ก็ใช้ในฐานะผ้าปูนั่งใช้ในฐานะผ้าปูนั่งไม่ได้ก็ทําเพดานดาบฝานะเมื่อก่อนกุฏิเนี้ก็ต้องมีเพดานนะเพดานการทำโดยผ้ากันฝุ่นแม่ตกลงมา ทีนี้แต่มันขาดมากแล้วก็เอามาถู พ, านน พ, ถพื้นได้ระยะหนึ่งนะฮะเช็ดพื้นถูพื้นได้ระยะหนึ่งสักๆักขาดไปเรื่อยมาถึงกูนหนึ่งมันก็ยุ่ยเอาไปผสมขยําผสมกับดินฉาบฝาได้นั้นในสังคมก็อารยา น, นี่เราจะเห็นว่าไม่ใช้ผ้าพื้นหนึ่งไม่ใช่ได้เยอะเลยนนี่คือแนวสันโดษสันโดษในแนวของสารุัส่นทั่วไปนะฮะจะเป็นทรัพย์อันประเสริฐโดยเจ็นว่าระบบ ใบพวกเศษทับไปแล้วเนี่ยมงฟุ่งเฟือยอย่างยกตัวอย่างเที่ยวน้ำฉีดแรงๆนะเพื่อจะล้างพื้นเนี่ยที่จริงล้างพื้นเราก็ถูพื้นเ่าได้นะไม่ได้แปลกอะไรแต่การล้างโดยวิธีนั้นก็แสดงว่ามนุษย์ก็พยายามตอบสนองความขี้เกียจของมนุษย์ด้วยกันแต่มันเป็นการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาตินะเราจะเห็นว่าน้ามันก็ถูกใช้ไปเกินความจาเป็น ไฟก็ถูกใช้ไปเกินความจำเป็นอะไรมันก็เกินความจำเป็นอายุการใช้มันก็น้อยลงผลในสุดมันกระทบต่อโลกกันเป็นส่วนรวมจึงแก่ต้องมองกว้างมองไกลพอสมควรนะฮะจริงๆน้ำมันเนี่ยไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็ตามในสมบัติของโลกก็ถ่ายเทกันไปก็ให้น้ำมันมาน้ามันมาเราก็ให้สตางค์ไปก็ช่วยเหลือกันไป แต่ในที่สุดเนี่ยเมื่อบริโภคกันฟุ่มเฟือยมากทัวโลกเนี่ยน้ำมันมันก็หมดเร็วน้ำํำก็หมดเร็วแล้วทํำยังไงถึงจะในชั้นของการบริโภคประเด็นตรงนี้เป็นที่น่าสัง เ, ет, งงเกตนะฮะว่าจากการสังเกตเวลาทรงอธิบายในที่อื่นเนี่ยจาพวกหมดเลยปัจจัยสีเนี่ยแต่ตรงนี้เสีย น, น, นาชนะกับยาแก้ไข่เนี่ยไม่ได้พูด มันก็อาจจะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเสนานสะนะเนี่ยมันตามมีําได้แบบนกมีปีกเนี่ยมันบินไปก็เกาะที่ไหนก็พักที่นั้นบินไปก็เกาะที่ไหนก็พักที่นั้นก็อยู่ที่นั้นที่สำคัญอย่างยิ่งก็มือจีวรในการบริหารกายการใช้จีวรแบบพระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการใช้จีวรที่สาเร็จประโยชน์ คือการปกปิดอวัยวะที่ควรแก่การปกปิดคือถ้าไม่ปกปิดแล้วจะยังความละอายให้กำเริบอันนี้ที่จริงสุภาพตรีเนี่ยควรจะปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดมากกว่านั้นนะแต่ปรากฏว่าในสังคมเราเราสันเกตว่าพระนี่ปกปิดมากกว่าแต่ว่าเวลาอยู่ในกุฏิเนี่ยอยู่ในกุฏิก็ปกปอกันนะฮะชาวบ้านอยู่ที่บ้านพระอยู่ในกุฏิเนี่ยว่าปกกันพระก็ น, นุ่งสวงสวมมงกาฎนะทําให้มีแขกก็ไม่ผมจีวรหรอก ต่มีแคกเข้ามาก็ห่มยวรเพื่อปกปิดกายให้เรียบร้อยแต่ว่าอยู่ในวัดเนี่ยก็เปิดไหลห่หนึ่งหนึ่ง้งนะฮะเปิดไหลขวาอยู่หนึ่ง้งแต่ถ้าห่มยวนคลุมข้าบ้านแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโผย่เฉพาะคอกับมือนิดหน่อยเ ท, ท่าอาฒน์นิดหน่อยจา่นั้นเองเป็นการบริหารกายป้องการเหลือบยุงลมแดดหนาวร้อนต่างๆเนี่ยไม่ให้มาเบียดเบียนปัสสาวร่างกาย อาหารจะบินทบาทเป็นอาหารที่ค้นข้างเสี่ยงคือเที่ยวพิกาจาร์เดินไปเรื่อยๆเคยให้ก็รับไม่ให้ก็แล้วไปแล้วก็ยังอัตภาพไปเป็นไปด้วยอาหารตามมีตามได้คือา ก, การใช้ชีวิตแบบพระทาพออดั้งเดิมจริงๆไงนะฮะดั้งเดิมจริงๆแต่ว่าเวลานี้ที่จริงมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเนี่ย เช่นว่าวัดทวนใหญ่เนี่ยมันต้องหุงหาอาหารประเดี๋ยบินบัตจริงๆมันไม่พอเว้นไว้แต่วัดในชนบทนะวัดในชนบทแล้วก็พระไม่มากชาวบ้านมากเนี่ยก็อยู่ได้ไม่ต้องหุงหาอาหารอะไรแต่ว่าโดยทั่วๆไปก็ส่วนมากในกรุงเทพเนี่ยส่วนมากก็ต้อหุงหาก็ทำให้ ในแนวสันโทษคือบริหารท้องนี่ไม่ค่อยเสี่ยงอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยู่ไดบินทบาดล้วนแล้วก็ที่จริงก็สนุกไปอีกแบบแนะฮะมันก็เสี่ยงนะแต่ก็สบายคือมันเสร็จผาล่าไปไม่รุงรังไม่วุ่นวายอะไรเท่าไหร่ไม่สูญเสียเวลาไปอัตรภาพก็ยังเป็นไปคืออาหารก็สําคัญในผ่านเข้าไปอยู่ในท้องแต่นั่นเองก็จบแล้วทํายังไงก็คือลงไปให้ได้อะคือลงไปมันเป็นเรื่องของร่างกายที่จะเข้าไปสู่ระบบย่อยระบบขับถ่ายในโอกาสต่อไปเอง นี่ก็เป็นเป็นหลักการของการสันโดษเป็นการประพฤติัวให้เบามันเหมือนกับ น, นกที่เหินบินไปเนี่ยนกน้อยเหินบินเหินลอยขึ้นสูงวปหาอะไรเนี่ยนกน้อยบินเหินลอยขึ้นสูงไปหามันเพลาะมันสวยนะะเป็นภาพที่สวยงามมา ก, กว่าบินไปด้วยปีกแล้วเกาะที่ไหนก็ไม่ไปอะไรในที่นั้นไม่ไปยึดติดอยู่ในที่นั้น เราบินไปเรื่อยๆได้เคยพบคํากรอนบทหนึ่งนานมาแล้วแต่ว่าอ่านแล้วมันชอบมากนั่นชอบว่ า, วาเอเสลีภาพอย่างนี้มันน่าจะมีนะมนุษย์เรามันน่าจะมีเสรีภาพอย่างนี้แต่เราก็มีอยู่ไม่ได้นะเราเป็นสัตว์สังคมหรือเป็นไปตามที่เราต้องการอย่างนั้นไม่ได้นะคากรอนวันนั้นบอกว่าฉันจักไม่ยินยอมให้เขาล้อมก็คงถัง ถกรงสุวรรณังก็บอปราถนาเลยฉันชอบเป็นนักหนาอยู่ป่าตามสะเบยก็พเพลงเมื่อลมเชยและจะบินระเวนไพรเป็นชีวิติศระอิสระอย่างสูงยิ่งนะฮะเป็นชีวิตของนกเป็นชีวิติศระอย่างสูงยิ่งเดบางพีก็น่าเชื่นชมแต่ว่านกมันก็ถูกล่ล่านะะถูกล่ล่าก็มีคนล่ล่าไปเรื่อย เป็นผู้ล่าแล้วก็เป็นถูกผู้ถูกไล่ล่าชีวิตมนุษย์ทีวิตสัตว์โลกมันก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์เราเองก็ยังถูกไล่ล่าเป็นผู้ล่าแล้วก็อาจจะถูกไล่ล่าบางทีก็สัตว์ล่าเราบีงทีเราก็ล่าสัตว์ก็ไม่แน่ใครล่าใครก็ไม่รู้แต่ชีวิตที่อิสระเนี่ยมันหมายความว่าร่างกายเราจริงๆเนี่ยบาลีบอกว่าสเบสตาหารติทิกาสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ได้ด้วยอาหาร อาหารก็เป็นการบริหารท้องท้องมีอาหารพออิ่มพอสมควรนะฮะพออิ่มพอสมควรอิ่มมากเกินไปก็ไม่ดีถ้าหิวก็ไม่ดีทำยังไงว่าเขาเรียกว่ายังอัตภาพไปเป็นไปได้แม้สุดสมนี่ก็เป็นหลักการในการครองชีวิตแบบพุทธคือไม่ไปแบกหามอะไรไว้มากเกินไปแล้วก็นี่เครื่องหุ่มในการบริหาร บริหารกายมีอาหารในการมีิหารท้องแล้วก็ไปไหนก็สะพายบาตรนะแบบพระสมัยก่อนเนี่ยมันไม่รุงรังเท่ากรรมฐานสมัยนี้ท่านอย่างมากไปด้วยนะของมากไปถ้าสมัยนั้นค่อนข้างจะสบายยังดูภาพกว่าเช่นสมมติว่าน้ำเนี่ยพระต้องกรองก่อนจึงจะดื่มน้ําได้เพรา ะ, ะกําหนดได้มีภากรองน้ํา แต่บางทีมันไม่มีอ่ะมันไม่มีก็เอาชาจีวอลมุมจีบอล น, นะมาปิดไว้ที่ปากพระเนะแล้วก็ดื่มผ่านมุมจีวอไปนะแต่ว่าจีวอก็ต้องสะอาดเนี่ยนะแ้วจีบรลสกปรกก็มีปัญหายอยูแต่ว่าปัจจุบันมันมันก้าวหน้าไปเยอะคือน้ําก็ไม่ต้องกรองแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวสัตว์แล้วน้ําประปาก็ไม่ต้องกรองแล้วน้ําขวดยังไม่ต้องกรองใหญ่ แต่สมัยก่อนเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าน้ํามันต้องกรองเยอะอย่างอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาบน้ําก็ต้องมีที่รองน้าําแล้วก็ตามปกติแล้วจะกรองก่อนอจะกรองก่อนนามาตักใส่ตุ่มใส่ตุ่มให้เต็มแล้วผ้าคลุมปุ่มไว้แล้วกรองแล้วเสร็จแล้วก็อาบอาบก็ต้องเททิ้งนะฮะมาเดี๋ยวยุงมันไปวางไข่บางเกิดมีตัว ลูกน้ำขึ้นมาอีกมีปัญหาอีกก็ฝึกปือให้อยู่อย่างมีสติแต่หลักการใหญ่จริงๆเนี่ยมันคือมองไปในประเด็นแรกนะฮะประเด็นแรกคือประเด็นที่ว่าในการแสวงหาเนี่ยทำอย่างไงให้เป็นการแสวงหาที่ได้มาในทางที่ชอบทำก็ไม่ต้องห่วงในการระดมสรรค์กำลังระดมไปเถอะ แต่ว่าอยู่ในกรอบของกฎหมายศีลธรรมยายผิดกฎหมายอ ย, าย่าผิดศีลธรรมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสแสวงหาได้สมัครชาวบ้านนะฮะสมัครชาวบ้านโดยทั่วไปพระเองถ้าหากว่าเขาศรัทธาถวา ย, ยก็รับได้นะฮะรับได้ตามตามอัธยาศัยแต่ก็อย่ากเก็บก็แล้วกันนะอาจจะเก็บไว้สักระยะหนึ่งอย่างพระอานนท์เขาก็เก็บนะฮะเขาก็เก็บอยู่ระยะหนึ่งเพรได้จังหวะ การเก่าขึ้นมันกเวียนเป็นนั่นไปเลยนะฮะเป็นกระบวนเกวียนไปเลยเราไปแจกจ่ายในที่ต่างๆตามบัดรวารามต่างๆเนี่ยไปแจกพระในวัดวัดนั้นๆต่างๆมันก็เป็นเรื่องสังคมสงเคราะห์นะฮะเพราะว่าถ้าเรามีบุญบา ร, รมีไม่เหมือนกันพระบางองค์บา ร, รมีเยอะนะมีอุณาหัาขั่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยประการต่างๆแต่พระบางองค์ท่านก็ไม่มีอะไร ถ้าผู้ใหญ่ไม่ช่วยมันก็ลำบากพราะงั้นก็ต้องช่วยกันแล้วก็ทํายังไงว่าทําใจยินดีตามที่มีตามมีตามได้นะได้มาเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ยินดีเท่านั้น่ะอาหารบนโต๊ะมีเท่าไหร่ก็ทําใจยินดีเท่านั้นมีจานเดียวมีน้าพริกปลาทูอะไรก็ว่าไปเรื่อยอะ คี่ยังยังอถาบายมาเป็นไปได้แล้วถ้าลองสังเกตนะฮะถ้าอาหารน้อยๆรู้สึกจันข้าวได้มากจันข้าวอร่อยแต่ว่าถ้าโต๊ะเต็มโต๊ะแล้วเนี่มันอึดอัดงานเลี้ยงอะไรตางงานเลี้ยงต่างๆี่จันเข้าไม่ค่อยอิ่มกันหรอกกินข้าวไม่ค่อยอิ่มกันมันมากเกินไปมันเหลือเฟือมันพุ่งเฟือยจังเกินไปเพราะในการบริโภคใช้สอยเนี่ยทํายังไงว่ารู้จักประหยัดมัธยัตย์อดออมตามเหมาะตามควร คือไม่ให้รู้รือผู้ฝ้าฟุ่งเฟือยจนเกินไปแต่ว่าสำเร็จประโยชน์ไม่ใช่ไปทรมานร่างกายตัวเองมากเกินไปนะฮะนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งของเรื่องสันโดษซึ่งพระนั้นเป็นเรื่องลึกขึ้นไปแต่ว่าก็เป็นเน้นในวิถีชีวิตทั่วไปในแนวของสมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบทั้งฟังทงหลาย ใต้ลงมาโพธิญาในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไพบูรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี